ขอนอบน้อมแด่พระผู้มีพระภาคอรหันตะสัมมาสัมพุท ธ, ธเจ้าพระองค์นั้นณ <c oughs> บัรนี้ถึงเวลานั่งสมาธิภาวนาให้พากันนั่งคัดสมาธิทุกทุกคน การนั่งสมาธินี้ท่านให้นั่งขัดสมาธ์เอาขาขวาทับขาซ้ายเอามือข้างขวาวางทับมือข้างซ้ายตั้งกายให้เตี้ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกอันนี้ก็เป็นการนั่งสมาธิแบบหนึ่งแบบง่ายแบบญาติน้อยก็เรียกว่านั่งขัดสมาธิเพชร ขับสมาธิเพชรนั้นให้เอาขาซ้ายขึ้นมาทับขาขวาก่อนแล้วก็เอาขาขวาขึ้นมาทับขาซ้ายส่วนมือนั้นก็เอามือขวาทับมือซ้ายตั้งกายให้เที่ยงตรงหลับตานึกภาวนาพุทธโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกการนั่งสมาธิภาวนานี้มีมาตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้า ไม่ได้ขึ้นมาลิเริ่มนั่งสมาธิภาวนาพระพุทธเจ้านั้นท่านนั่งสมาธิภาวนาภาวนามาตั้งแต่ยังไม่ได้บวชหรือว่าท่านบำเพ็ญโพธิญาณมาก็อาศัยการนั่งสมาธิภาวนามาโดยลําดับ แต่ว่าแต่ก่อนยังไม่ตรัสสรู้นั้นมันไกลเกินไปท่านก็มาจัดเอาในวันที่พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาในวันวิสาขบูชาเดือนหกเป็นวันพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาทั้งสุดท้าย ได้ตรัสลูพระอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณเป็นพระพุทธเจ้าขึ้นในโลกพระองค์นั่งขัดสมาธิเพชรการนั่งสมาธินึ่งจิต น, นี้จึงมีมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลองค์พระพุทธเจ้าเป็นผู้ชี้แจงแสดง และท่านนั่งเองปฏิบัติเองจนได้ตรัสโลเป็นตัวอย่างมาด้วยเมื่อท่านนั่งขัดสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็มีตั้งสัจจ์อธิษฐานเพื่อไม่ให้จิตใจหวันไหวสั่นสะเทือนด้วยอารมณ์ต่างๆ พระองค์ตั้งใจว่าการนั่งสมาธิภาวนานี้ก็ต้องการเพื่อความตรัสลู่เป็นประพุท ธ, ธิจังเราจะไม่ลุกไปมาในที่ใดๆถ้าหากว่าไม่ได้ตรัสลู้ก็ยอมตายในที่นั่งนี่ดีกว่าแม้เลือกเนื้อเชื่อไขจะเหือดแห้งไปเหลือแต่หนังหุ้มกระดูกก็ตามที จะไม่ลุกไปแสวงหาอาหารมาบริโภคถ้ากิเลสมันไม่ตายก็เอากายนี่แหละมันตายในที่นั่งนี่ถ้าเราทุกคนฟังคำข้อนี้เข้าใจก็มีความหมายว่า พระองค์จะเอาให้ได้ดตรัดสูต้ตัดกิเลสละกิเลสลาคะโทสะโมหะดับกิเลสลาคะโทสะโมหะให้หมดสิ้นจริงๆต่างคะว่าู้กับกิเลสมารสังขารมารไม่ไหวพระองค์ก็ยอมตายในที่นั้นที่ยอมตายในที่นั้นคือเป็นการตัดบทไม่ให้กิเลสในใจนั้น แก้ไขอย่างนั้นอย่างนี้เหมือนเราทุกคนที่เป็นอยู่เพราะพระองค์ได้ตั้งใจเด็ดเดียวลงไปแล้วว่าตายตายลูกเดียวฉะนั้นน้ำใจของพระพุทธเจ้าก็แน่วแน่เด็ดขาดไม่หวั่นไหวละเจ็บปวดทุกขเวทนาเล็กๆแน่นอนไม่ต้องกลัว อย่างคนเราธรรมดาพระเราธรรมดานั่งภาวนาเสียงแต่ว่าแข้งขามันมึนตาไปนิดหน่อยก็วันนั่งภาวนาจะพิจารณาอย่างไรมันจึงจะไม่เจ็บไม่ปวดไม่มึนไม่ตาว่าไปอย่างนั้นก็เราไม่ได้ระลึกถึงพระพุทธเจ้านั่งภาวนาในคืนที่จะได้ตรัสรู้นั่นพระองค์ตั้งใจขนาดไหน ตั้งใจภาวนาตายเอาตายสู้ทีนี้บทภาวนาของพระองค์ก็อนาปาลมหายใจพวกเราทั้งหลายก็มีลมหายใจเหมือนพระองค์แต่ว่าไม่ได้เอามาภาวนาจริงจังเอามาภาวนานิดหน่อยเท่านั้นมันจึงไม่พอกับเหตุปัจจัยพระพุทธเจ้าท่านเอาจริง เมื่อนั่งเสร็จเรียบร้อยแล้วท่านก็ตกลงว่าลมหายใจนี่แหละจะมาให้จิตใจเผลอไม่ให้ไปทางอื่นลมเข้าลมออกพระองค์มีสติความระลึกได้เป็นมหาสติวันนี้ลมเข้านี่ลมออกยาได้หลงลืมเป็นอันขาดนแนว เ, เข้ายาวเข้าสั้นโลทั้งนั้นลมหยาบลมอย่างกลางลมละเอียดหรือว่าหมดลมพระองค์งก็ลลูแดวว่าระวังไม่ให้จิตออกไปภายนอกไม่ให้จิตไปคิดเรื่องอื่นคิดเรื่องภาวนาทุกลมหายใจเข้าออกอย่างเดียว น้ำพระทยใจพระพุทธเจ้าก็หนักแน่นบัดเนี้ยมั่นคงมั่นคงแน่นหนาเหมือนแผ่นดินก็ไม่เหมือนแผ่นดินอย่างไรล่ะพระองค์เสียสละตายลงไปถ้าสู้กิเลสในหัวใจไม่ได้ตายเสียดีกว่าลง นามประทายใจประพุทธเจ้ามันเด็ดขาดขนาดไหนมีความแน่วแน่มั่นคงที่สุดจนรวมจิตใจลงไปได้ในลมหายใจเข้าออกนั่นเองสมาธิสมาธะกรรมฐ า, านก็เต็มบริบูรณ์ เป็นคณิกาสมาธิเป็นอุปจารสมาธิเป็นอัปปนาสมาธิมันคงที่สุดไม่วันไหวเหมือนแต่ก่อนมาแต่ก่อนมานั่งปวดหลังปวดเอวกวดลุกไปเดินบ้างอะไรต่อมีอะไรคราวนี้ข่าวพระองค์จะได้ตัดสู่ยไม่ต้องแนะพระองค์เอาตายมาตัดเลย อิเลมานสังขาะมานมากมายเต็มโลกมาลบแทนบันลังพระพุทธเจ้าก็คืออารมณ์ในจิตในใจของพระองค์มันเคยมายั่วยุเคื่อนมาเคยมาทำให้พระองค์หวั่นไหวคราวนี้คราวเดือนหกเป็นไม่ไหวหวั่นท่านตึงแล้ว พระองค์เอาตายสู้นั่งขัดสมาธิเพชรจนได้ต ร, รัสูลเป็นพระพุทธเจ้าในคืนวันนั้นแม้พระองค์ได้ต ร, รัสูลแล้วก็ไม่ยอมนอนไม่ยอมเอาความสุขความสบายนั่งไปจนตลอดคืนจนแจ้งสว่าง หลังจากนั่งกแล้ววันนั่งภาวนารอบต้นไม้สีมหาโพธนั้นต้นโพ น, นั้นถึงเจ็ดวันเจ็ดวันเจ็ดคืนนั่งภาวนารอบทั้งในเจ็ดวันนั่งทิศนั้นคิดนี้รอบต้นไม้สีมหาโพธ จงกระทั่งว่าฝนตกฟ้าร้องอะไรไม่ไม่สนใจน้ำท่วงไหลมาก็ไม่สนใจนั่งภาวนาอย่างเดียวจึงได้มีพระพุทธลูกพระหน้าปกเกิดขึ้นคือพญานาคงูใหญ่มาเห็นพระพุทธเจ้าฝนตก ก็เลยมาเอาตัวมาให้พระพุทธเจ้านั่งกองกองแบบงูมันขดนะใครเคยเห็นงูขดนระแล้วก็ยกคอขึ้นแผ่พังพานเป็นหลังคากุติน้อยหลังนึงพระพุทธเจ้าก็นั่งบนหลังงู สีสางงูหัวงูมันก็แผ่พังพันไม่ให้ฝนตกไม่ให้ลมพัดได้พญนาคมีฤทธิ์แสดงร่างกายใหญ่โตมาโหฬารต่อมาคนทางหลายจึงได้สร้างฆา น, นาคปก งา น, นครว่าพระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวานาไม่กลัวตายพระองค์ไม่กลัวตายนั่นแหละพระองค์จึงพ้นจากตายแทนที่ถ้าคนเราธรรมดากลัวตายมันก็เลยตายไปได้แต่พระพุทธองค์ไม่กลัวนั่งภาวนาตลอดคืนนั่งตลอดเจ็ดวันเอง ยังมีตำนานว่าพระพุทธเจ้าเข้าปลาเข้าดงอดเข้าสี่สิบเก้าวันเจ็ดเจ็ดสี่สิบเก้าไม่กินข้าวเจ็ดวันอยู่ได้แสดงว่า น, น้ำจิตน้ำใจของพระพุทธเจ้ามีกำลังมากมีกำลังสมาธิมีกำลังฌานมีกำลัง สมาบัติมีกำลังทุกอย่างทุกประการจนไม่มีภัยอันตรายใดๆที่จะมากั้กายพระวรกายของท่านได้พระพุทธเจ้าจึงสามารถอาจอาหารทุกสิ่งทุกประการไม่มีใครในโลกเสมอเหมือนจึงเป็นที่กราบไหว้บูชาของมนุษย์ วดาอินทรมทั้งหลายกราบไหว้บูชาพุทธโธจึงได้บังเกิดเมขึ้นในโลกผู้ภาวานาสุดท้ายภายหลังท่านจึงเอาคำว่าพุทธะพุทธโธเป็นชื่อเป็นพระนามของพระพุทธเทจา้าเอางานนึกมาสอนให้จิตใจของเราทุกคน มีความตื่นขึ้นลุกขึ้นบังเพนบุญบา ร, รมีของตนให้แก่กล้าไม่ให้จิตใจท้อแท้อ่อนแอกลัวเน็ดกลัวเหนื่อยกลัวม้วยกลัวหิวกลัวเป็นกลัวตายไม่ให้มีพุทโธ ท, ทุกลมหายใจเข้าออกเอาดวงจิต ด, ดวงใจมันแง่วแน่เด็ดขาดลงไป พระพุทธเจ้าท่านเด็ดขาดแล้วเราไม่ได้ไปช่วยท่านอย่างไรีแตามาพึ่งบุญญาธิการของท่านเท่านั้นเมื่อพระองค์ส่งสอนว่าให้พากันนั่งสมาธิมีความสงบตั้งมั่นในดวงใจอย่าไปกลัวล้มกลัวตายเราตถาคตบำเพ็ญมาก่อนท่านทั้งหลาย ไม่เห็นมันตายตนี้ถ้าใจเรายังหวาดสะดุ้งกลัวภัยอันตรายนั่งสมาธิมากมันจะตายเอาไหนยิดถึงพระพุทธเจ้าท่านนั่งสมาธิภาวนาทำไรท่านไม่ตายยิ่งเป็นผู้วิเศษ จะไปมาทางไหนไม่ต้องย่ำต๊ะก็ไปได้ขึ้นฟ้าขึ้นสวรรค์ก็ได้ดังดินดินบนได้ทุกอย่างพละกกำลังจิตใจที่ดีมั่นคงเป็นผลเป็นอานิสงฆ์แม่คนเราสมัยนี้จะไม่ถึงขนาดพระพุทธเจ้าก็ตามที แต่ว่าถ้าตั้งใจภาวนาจริงๆแล้วมันมีความอัศจรรย์ไม่ว่าเด็กหนุ่มแก่เพศหญิงเพศชายคฤรืหัดหรือบรรพชิตถ้าตั้งใจเต็มที่แล้วมันต้องเห็นผลด้วยตนเองที่มันผลไม่ปรากฏคือว่าจิตมันหวาดสะดุ้งกลัวภัยอันตราย ยังจิตใจของตนให้สงบระงับไม่ได้ฟุ้งซ่านลำคาลล่วลายไปอยู่ใต้อำนาจกิเลสมันก็ยิ่งไม่มีผลไม่มีอานิสงส์ถ้าเราภาวนาตั้งใจลงไปจริงๆเอาให้มันเต็มที่ทุกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออก ลมหายใจเข้าออกนี่แหละเป็นอุบายภาวนาอันหนึ่งพระพุทธเจ้าทำมาก่อนปฏิบัติมาก่อนพวกเราทั้งหลายเห็นผลมาแล้วได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าแล้วเดี๋ยวนี้เราก็ให้ตั้งใจขึ้นมาอย่าไปเข้าใจว่ามรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้านิพพานแล้วก็เอาไปหมด พระอาราหาันตาสาวกเจ้าทั้งหลายท่านนิพพานแล้วก็เอาไปหมดไม่ใช่อย่างนั้นพระธรรมพระวินยัยสัตตุศาสนาคําสอนของพระพุทธเจ้าไม่ได้เอาไปไหนดูโต้ดูโ ต, ตพระไตรีิฎกในถ้ำผาปลองสิเต็มไปหมดนั่นแหละธรรมคําสอนของพระพุทธเจ้า คนโบราณอาจารย์ทั้งหลายท่านรวบรวมไว้สมัยยังไม่มีกระดาษพิมพ์แบบนี้ก็เขียนเอาเอาใบลานใบตาลมาเขียนลงไปเป็นพระธรรมแปดหมื่นสี่พันพรรธมกขันตกมาสมัยนี้พิมพ์เป็นเล่มออกมา เป็นภาษาไทยเป็นภาษาบาลีให้เราได้รู้ได้เห็นเมื่อได้รู้ได้เห็นแล้วก็ไม่ใช่เอาเพียงแบบแผนคำภีเท่านั้นอ น, นั้นเป็นส่วนหนึ่งส่วนที่เราจะเอาจริงๆก็ภาวนาพุทโธในใจรวมจิตรวมใจของเราลงไปเอาให้มันเป็นหนึ่งเป็นดวงเดียว เอ็กังจิตตังเอาให้เป็นจิตดวงเดียวให้ได้เอโกธรรมโมให้เป็นธรรมดวงเดียวให้ได้เป็นหญิงคนเดียวเป็นชายคนเดียวตั้งใจเสียสละทุกสิ่งทุกอย่างกิเลสลาภกิเลสโทสะกิเลสโมหะอย่าเอามาพัวพันในจิตใจของเรา ตั้งใจภาวนาจริงๆใจมันอ่อนแอท่อแท้ภาวนาไม่ลงกิเลสราคาโทสาโมหะมันก็เอาละยกใหญ่มายั่วยกให้พวกภาวนาท่อแท้อ่อนแอกลัวตายอ่ะ พระพุทธเจ้านั่งสมาธิภาวนาจนได้ตรัสรู้เป็นพระพุทธเจ้าทำไมท่านไม่ตายในเรามาันเรามันนั่งภาวนาในพิษเป็นหน่อยทำไมกลัวตายตายแล้วตายแล้วเอาเขามันตายเรแล้วกันแต่ไปย่อท่อในหัวใจพระสงฆ์สาวกในขั้งกันโน้น พระโสดาพระสกิทาคาพระอนาคาพระอรหันตานับเป็นอสงไขยอสงไขทั้งมนุษย์และเทวดาอินทร์พรมทั้งหลายทั้งญาติทั้งโยมทั้งเด็กทั้งคนเท่าคนแก่คารวะญาติโยมท่นก็นได้สําเร็จมรรคผลทําไมท่านไม่ตายเราภาวนานิดนิดแ่น้อยก็กลัวตาย นี่แหละ เ, เอามาคิดมาอ่านบ้างจะได้พากันตั้งใจภาวนาจริงๆลงปไปค่อยๆเอามรกเอาผลเอาสวรรค์มิถานแต่ไม่ทำไม่ปฏิบัติมันจะได้อย่างไงเมื่อเราต้องการมรกผลมิถานก็ต้องนั่งภาวนาเดินจมกรม ปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ให้จิตใจมันท้อถอยไล่ความที่เศร้าเหงาหนอนออกไปให้หมดสิ้นกาวมาสัญพยาบาทถือนนั้น ด้วยของไม่สะอาดมีประการต่างๆตายเมื่อใดก็ป่วยเน่าพุพังทับถมแผ่นดิ น, นก้อนอสุภกรรมฐานดื่มน้ำกินข้าวเข้าไปทุกวั น, นตัวนี้ตัวกรรมฐานใหญ่กำหนดพิจารณาให้เห็นยังมีชีวิตอยู่ ก็พอทำนาถ้าชีวิตนี่แตกดับเมื่อใดเวลาใดร่างกายสังขารที่เจ็ดมาหลงยึดหลงถืออย่างนี้มันจะเปื่อยเน่าพุพังส่งกินฟุ้งทั่วไปมันดูวิเศษอะไรจึงได้มาลุ่มหลงมัวเมาอยู่ในธาตุดินธาตุน้ำธาตุไฟธาตุลมอันนี้ ตั้งจิตตั้งใจลงไปภายในใจนี่ให้ได้เ <c oughs> <c oughs> มื่อผู้ใดตั้งใจปฏิบัติบูชาภาวนาไม่ท้อแท้อ่อนแอในดงจิตทุกลมหายใจเข้าออกเราจะไม่ประมาทเมื่อทำลงไปได้นิดนึงก็เห็นผลมากขึ้นไปก็เห็นผล จนถึงขั้นสงบระงับตัดบ่วงห่วงอะไรกิเลสตัณหาในจิตใจของตนได้หมดสึ้นนั่นแหละจึงได้ชื่อว่าภาวนาเต็มที่ไม่ใช่ภาวนาเล่นภาวนาหลอกภาวนาจริงๆละความโกรธในจิตออกไปให้ได้จริงๆละความโลภในจิตให้ออกไปได้จริงๆ ละความหลงความไม่แจ้งในธรรมะปฏิบัติออกไปให้หมดสิ้นเมื่อจิตใจดวงนี้สงบส ง, งับงเป็นดวงหนึ่งดวงเดียวก็จ้งมอง ก, ก็ต้องมองทารุป่งได้หมดทีเดียวว่าโลกประขันร่างกายสังขารมีผมขนเล็บฟันหนังเนื้อเอ็นกระดูกตับไตไส้กรง เป็นก้อนอสุภกรรมฐานเป็นธาตุกรรมฐานธาตุดินธาตุน้าํนาธาตุไฟธาตุลมประชุงกันอยู่เป็นตัวตนของคนเราแต่และบุคคลอันนี้เรียก ว, ว่าธาตุกรรมฐานดูให้เห็นกังโมให้ได้อย่ามาหลงติดอยู่หล้องอยู่แค่โลกร่างกายอันนี้ <c oughs> โลกร่างกายอันนี้ถ้าเราไม่ภาวนาพิจารณาจงเห็นแจ้งในอสุภกรรมฐานในธาตุกรรมฐานในมีทุกขมีโทษในขันธ์อันนี้ถ้าไม่เห็นแจ้งเมือ่อใดมันก็มาเป็นคลิปเป็นภัยอยู่ตลอดเวลาไปไปมามามันก็มาหลงอยู่ในกองอุจจาละกองปัสสาวะ เพรนั้นต้องเล่งภาวนาไม่มีใครจะไปภาวนาแทนได้เพราะการภาวนาปฏิบัติบูบชาภายในจิตใจนี่เป็นธรรมะภายในคนอื่นจะมาทำแทนไม่ได้เป็นหน้าที่ของจิตใจแต่ละบุคคลจะต้องรล้ยงจิตใจให้สงบตั้งมั่น เมื่อจิตังตั้ ง, งนั่นแล้วก็จะเห็นว่ารูปร่างกายของเหล่านี้มันมเที่ยงแท้แน่นอนโดยมาตั้งแต่เกิดมันเที่ยงที่ไหนเป็นทางลบไปมาไม่ได้ต่อมามันก็คืบคานไปได้จนใหญ่โตมาถึงเป็นเด็กเข้าโรงเรียนมันก็ไม่อยู่แค่นั้น ออมาถึงวัยหนุ่มวัยแข็งแรงถึงวัยกลางคนมันก็ไม่เที่ยงแท้แน่นอนอเลื่อนไปเลืยนนานเข้าก็ตกถึงวัยชลา้ามีตาก็ไม่ดีตาไม่เห็นมีหูก็ไม่ดีฟังอะไรไม่ชัดมีร่างกายสังขาร กองเหียวแห้งผู้พังไปตามหน้าที่ของสังขาดทำไมจิตจังมาลุ่มหลองมัเมาเย็ดมั่นถือมั่ว่าเป็นตัวข่าตัวกูของกูตัวข่าของข่าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้ไม่ตั้งใจปฏิบัติบูทาภาวนาให้มันจริงแจ้งภายในจิต เย็ดมังก็มาลุ่มหลงงัวเมาอยู่แค่ธาสี่ขันธ์ห้าอาณาจักรทางหลยเย็ดมันถือมันในชาติในตะโกนในตัวในตนในสัตว์ในบุคคลต้องเปียงเท่งพิจนารณาโลกภายในเป็นอย่างไรของโลกประขันนี้ภายนอกเป็นอย่างไรที่โลกประขันอาศัยอยู่ จะต้องตัณงพิจารณาให้เห็นแจ้งในสภาวธาสภาวธรรมยังจิตใจของเราให้ทุกคนให้มีความสงบตั้งมั่นเย็นสบายมั่นคงไม่หลงไหลไปตามลูกเสียงเปล่นลดโผทภพะพรธรรมลรม ไม่หลงไหลไปตามโลกคนโลกสัตว์วัตถุธาตุทั้งหลายอันเป็นสมบัติมนุษย์อย่างไรก็ไม่หลงไม่หลงกายตัวเองไม่หลงจิตตัวเองไม่หลงกายคนอื่นไม่หลงจิตคนอื่นมีความเพียนเพ่งอยู่เห็นอยู่ซึ่งความไม่เที่ยงแท้แน่นอน เห็นโยซึ่งความเป็นทุกข์ทนโยเป็นโยอย่างนี้ไม่ได้เห็นความเกิดขึ้นเห็นความเจริญขึ้นเห็นความชารุดทุดโทรมเห็นความตายมองเห็นความตายได้รู้ว่ายังไงเสียเราก็ต้องตายคนในวัยตายเด็กไม่ตายเมื่อเด็กมันมาตายเมื่อหนุ่มก็ได้ เมือม่อไม่นุ่มไม่ตายมันจะมาตายกลางคนก็ได้เมื่อลอยกลางคนไปแล้วมันจะตายก็ได้ถ้าถึงวัยแก่วัยชราแล้วไม่มีทางที่จะเอาไว้ได้หกสิบเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบ้อยไปหน้านไม่เหลือล่ะตาย ตันจิตใจของเราให้ได้วายาประหลาดมาสำคัญผิดว่าเราไม่แก่มันแก่ไปทุกเวลาไม่เห็นสำคัญผิดว่าเราไม่มีโรคมีภัยโรคภัยไข้เจ็บมันมีเต็มตัวอยู่แต่เราไม่รู้เท่านหร่ก็ลยง โมเนาว่าไม่มีโลกภัยใครเิ็บมันมีเต็นกายเต็มตัวทุกทุกคนมันจะแตกจะตายเมื่อใดเวลาใดมันไม่มีป้ายบอกบางคนงานอยู่ดีๆก็ตายไปก็มีนั่งอยู่ดีๆเกิดลมขึ้นมาตายไปก็มีเราอย่ามาเข้าใจผิดคิดว่าเราไม่ตายง่ายๆ เราไม่แก่มันแก่วันแก่เดือนแก่ปีแก่ชั่วโมงนาทีวินาทีแต่เรากำหนดไม่ได้ก็เข้าใจว่าเราไม่แก่มันแก่ทุกเวลาเจ็บอยู่ทุกเวลาแต่เราก็ไม่ได้ภาวนาดูก็เข้าใจว่าเราไม่เจ็บไม่เจ็บไข้ได้ป่วยทำไมกินอาหารทวน มีก็แสดงว่าร่างกายสังกตดขานคนเราเนี่ยมันเยียวยาพยาบาลอยู่ตลอดการนั่งงานก็ไม่ได้เกิดโลกขึ้นมาต้องยืนเยินงานก็ไม่ได้ต้องเคลื่อนไหวไปมามันก็โกครคภัยไข้เจ็บทำงานเดินไปเดินงานก็เกิดโครคภัยไข้เจ็บขึ้นมา นั่งงอนเ <c> ต <oughs> ียงมากมันุษยคนเราก็ว่านอนสบายนอนไม่ไดสบายบ้างคนงอนหลับไปก็ตื ไม่ได้พญามัจุราชคือความตายมันใหญ่ที่สุดเทาพย า, หา ม, มหากษัตริย์ก็สู้ไม่ได้เศรษฐีมหาเศรษฐีก็สู้ไม่ได้สงฆ์ชีถานชีสลาศทุกอย่างก็สู้ไม่ได้พญามัจุราชคือความตายมันเอาตายทั้งโลกตายทั้งเป็นดิน ทั้งในบงสวรรค์สั้น้าตายทั้งผู ม, มโลกในนั้นอย่ามางงนอนใจอย่าเข้าใจผิดคิดว่าเราสบายเราสบายอยู่ไม่ได้ต้องรีบเร่ลเลุกขึ้นภาวนาบริกรรมภาวนาวิดานากายกตาสติกรรมฐานภาวนามีผมขนเล็บฟันหนะังมือเองกระดูกตับไตใส้ผรดูให้ดี น้ำมันคงถาวรยั่งยวนที่ไหนไม่ควรประมาทผู้ใดประมาทก็เหมนคนตายแล้วผู้ไม่ประมาทเป็นลืล่นล่นภาวนาเล่งเดินจนกลมไม่เห็นแก่กินไม่เห็นแก่นอนชาคลียางโยกตารบความเจียนไม่เห็นแก่ความสุขสบาย ตั้งตกตั้งใจปฏิบัติภาวนาให้มันเต็มที่ก่อนก่อนมรณนะภยัยเคอความตายมาถึงอย่าไปคิดว่าเมื่อความตายมาถึงเข้าภาวนาเอาไม่ได้มันไม่ทันภาวนาละกิเลส พระตเจ้าสงสอนไว้ว่ามารณะภัยคือความตายนี้ให้สาวุทั้งหลายโลกสิทธิของเราตะถาคตนุดให้ได้ทุกลงหายใจเข้าและออกลองหายใจเข้าไปก็เตอนจิตของตนว่าเราตายได้ลองหายใจออกมาก็ตายได้ มีนมกได้ทุกลมหายใจซึ่งความตายจ็บมันก็ไม่ประมาทเลยมีความสลดสังเวทตั้งมนใจอยู่เสมอคนอืน่นตัวอื่นเขาไม่ทงไม่ปฏิบัติช่างเขาเจ็บใจของเราไม่ท่อแท้อ่อนแอในวัดใจวันไหนก็วันนี้หนละคืนใดก็คืนนี้ ปูนภาวนาทำความเพียนละกีเลยพุทโธในดวงใจไม่ให้มันหลงเลยลืมลอะไรก็ลืมได้พุทโธไม่ให้มันลืมภาวนาในใจไม่ให้ลืตั้งใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาตายเมืด่ดก็่อยตายในคุณพระพุทธเจ้าตายเมื่อใดก็เมื่อตายในคุณพระธรรม ต า, า, ายเมื่อใดก็ทหมัตายในคุณพระอลรียสองต า, า, ายเมื่อใดเราก็ให้ตายอยู่ในทานบามีสีนบาลมีเมฆคัมบาลมีตั้งใจภาวนาอยู่ไม่ให้มันท้อถอยไม่ให้มันย่อทาอไม่ให้ใจิตใจมันคุ่ขคล่องมองใจด้วยอารมณ์ต่างๆ เพิเชื่อว่ากิเลสตัณหามาณทิติอันมันมีอยู่ในหัวใจเล่ามันออกไป้งร้าออกไปล่างมันออกไปเขี่ยมันออกไปเหรือแต่จิตใจที่แม่แม่มั่นคงโดยไมองพุโทโธภายในพุโทโธสัตว์ปัญญาโน ธัมโมโลพุตตะโลวะโลสังโฆมัคโคะพละทโธจักอิตเจตังระะัตนตทะยังอราหังพุโทโธอิสิิโสภคาวานัตมามิยังตั้งจิตตั้งใจอยู่ทุกขณะทุกเวลาเอาจิตใจดวงเดียวของตัวให้ได้รักษาใจดวงเดืองไม่ได้ ไม่ชื่อว่าเป็นนักภาวนานักภาวนาเอาใจของตัวให้ได้ใจคนอื่นไม่เกี่ยวเป็เรื่องของเขาใจของหลายตัวของเรานั่งกรรมฐานภาวนาอยู่นี่เจริญภากันลืกเล่งเลื่องเลืกองเลื่องภาวนาทั้งกลางวันเลื่งภาวนาทั้งกลางคืน เร่งภาวนาทั้งยืนเร่งภาวนาทั้งเดินเร่งภาวนาทั้งนั่งเร่งภวนาทั้งนอนนอนหลับไปฝันร้ายฝันดีไม่เกี่ยวโลกขึ้นภาวนามราณะกรรมฐานอยู่เสมอมรัะเมพาวิตติเราต้องตาย ก็หมายถึงจิตใจหมายถึงร่างกายทั้งหมดนี่แหละไม่ใช่เราจะมาอยู่ดีสบายไม่แก่ไม่เจ็บไม่ไข้ไม่ตายไม่มีเกิดมาแล้วต้องแก่เกิดมาแล้วต้องเจ็บไข้ได้ป่วยเกิดมาแล้วต้องมีความพับข้าศจ า, ยากย์ญาติกาวงซ่านตายแล้วเอาใครไปไม่ได้ เมื่อเราเกิดมาก็เกิดมาหนังหุ้มกระดูกนี้มาไม่มีสมบัติพัสถานอะไรเป็นของตัวเวลาตายไปก็ยิ่งเล้วใหญ่ร่างกายสังขารนี้ก็ทิ้งไว้เปอยเน่าฟุกพังในโลกนี้เอาแต่วดวงจิต ด, ดวงใจที่บริสุทธิ์ลดพอนจากกิเลสเท่านั้นไป น, นั่นผู้ปฏิบัติทั้งหลายจงพากันเลื่องลืมภาวนาทุกขณะทุกเวลาไม่ต้องไปรอคนนั้นไม่ต้องไปรอคนนี้เอาทุกลมหายใจเข้าออกมรังมานัะะงนความตายความตายนม่ไม่ภาวนาให้ดีพอจบเข้าไว้ตัวเข้ามาแล้วไม่ภาวนาลืมแล้ว มันตบโฉล่งพยาบาลเข้าใจว่าไปโรงพยาบาลแล้วมันไม่ตายคิดดูให้ดีบางคนนั้นแทนที่จะไปหายมาเลยไปแล้วก็ตายกลับมาบ้านเอาศพมาม่อย่างนั่งก็ไปเผาผีที่กระโดกข้างหน้าไม่ต้องจะหายลายเดียวโรงพยาบาลมันก็ ส่นใดแก้ได้เขาก็แก้ไปที่ไหนมันแก้ไม่ได้มันก็ตายไปเหตดใจผู้ภาวนาอย่าไปกลัวมันตายใจดีภาวนาดีมันไม่ตายโรคภัยไข้เจ็บนี้มันก็หายาใจไม่ดีใจซึ่งซ่านลำคาญไม่มีโลคมีภัยมันก็เกิดขึ้นมาได้ทีแรกเกิดขึ้นมาหน่อยหนึ่ง น้อยอมันเอาจนเจ็บเอาจนตายได้ดังนั้นทุกลงหายใจเข้าทุกลงหายใจออกโล่งภาวนาเอาให้มันจริงเอามันเป็นที่เอาให้มันเด็ดขาดเอากิเลสมันตายหมดดังนั้นอุบายทางต่างๆที่กล่าวมาตัวนเราท่านทั้งหลายนี่ เตมุบายภาวนาละกิเลเมื่อว่าเราท่านทั้งหลายพากันได้ยินได้ฟังแล้วให้กำหนดจดจังนงไปประพฤติปฏิบัติก็คนได้รับความสุขความเจริญเหวังก็มีด้วยประกาละชนีสัจพิตโยวิวัตทันตุสัพโลกโควินัสตุมาเตภวัตะวันตรายโย สุขีเทธายุโภพวะอิวาธาสุติสังจังวุธาปัจจายิโนจตะตังเรธัมาวทันติอายุวันโนสุขังภาลัง